เวังโฮตูเวังโูวังโฮตูอย่าบกเอี่ามันสุดวะปัสสาวะน่าปร a ทับใจจูบมันโ m ปังน o าฟังดีจูบมันโอโตะงามดีมะจับปัาวะจับปัสสาะนัพูดล่นกัวิญญาณที่จันโอปังนาฟังดีจูมันอโตะงามด อาวะธรรมะสีวิชวิจังมุตตักิโัโลธรรมะวันตอุนุสขังภังภารุกังลัุกวะาะขะัะมะนาวินาัะัโาวินาสุิ อ๋อนตเตัวเด็กตัวเด็กัเด็กตัวเด็ด น้าน้ายัม่ได้ออมอออโอ เงี้ยก็เงี้ยเ t ี้ยช้อนอย่าที่เป็น ของเขาบอกออกนะบอนะตรงนี้เนี่บอเป็นล่องเงีต้องหาเรื่องมาให้เขาหัว ก็จะไปพูดชอบไปกุ้งก็ชอบไปวันเขาเลือดเลบ่นลพูดลืมก็ไปนอเาะ ลำดวนหลวงพูผานด้วยนะครับโอ้หลวงพูพระบุญญพานเอออตาศครับเอาาบอนะไปกอดเดือนนี้มือวันนี้จะไปอาตตาวันนี้จาาันนี้ก็จะไปอ่าอา ลุงพลีเขาอยู่หลังพ่นี่ครับลองพลีคงไปค้างคืนนี่นะครับค้างไหนค้งกี้ครับ้างนี้นะอ่มึไปหลงพ่อทานนะอ่หลวงปู่ครับหลวงปู่แนะนำลูกหลานปฏิบัติภาวนา พระวนาไม่ได้ดอกมูหลายแล้วนี่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยวนาเป็นหลายคนไม่ได้เออถาวนาไปอยู่เดียวนเดียวนดี้งโางเขาของเขาตั้งาตั้งั้งนั่งตั้งนี่เขาอยู่เนมูนี่ได้ก็เป็นาาวามูทดเีวอ้าเเอาเดียวงมือ้สัมารยดยวเป็น ภาวนาข้าพเสิจังมุ่งอย่เรื่องภาวนาที่แม่องัี่งนั่นนี่ได้ไภาวนาี่จังมงากบ้านจากเมืองจากโลกจากรานจากอาลูกจาเมียจากนัจานี่มดแล้ว่าค่ไหนภาวนาก็ดีคือเขานี่ยออกมาย่างกระยุกเดียวอย่อกไม่รู้ีอะอมันยังเป็นถาเก็ไม่่ยังบบเป็น มันมีจากคนใดที่เรศนี่มันอยู่กับคนนะ่ะอยู่กับคนกับชาสิแน่นั้นแหละอันอื่นไม่มีอันอยู่ดอกความทุกขความยากความลำบากลำพานในโลกอันนี้มีแต่คนเนี่อยู่กับคนนะ่ะกับคนกับชาติแค่นั้นแหละถ้าไม่มีคนมีาติเล็กสบายหนังสบายนอนสาบายไปสาบาว่าสบายกินสบายนีย่เขาจะมีอากบ้างอากลอง เพระองวันีมัก็ไม่ได้เออก่ซีงันเออตอนนี้เก็นเช้าวั้ตนี้ก็อยู่ในวนี้านั้นี่นีะันีว่านนี้จะดีคุณทาบตอนี้จะว่านนี้จะงูจะเพื่อน พอจะแง่เข่งขงทานเม็ดละพอแง่ก็ดีทานเมืท่ทานทางกึ่งหลังเม่อไ ม, มได้งัีเอาอยู่เอาอยู่ะไะห้ใจก็เฮามียเฮาพเฮาไว้ไเมังก็มสามารถก็สามารถเอา เนี่ยเนี่ยวันละเนี่มันมีภาวนาบ้านภาวนาเมืองอันนี้มันพอดีเยอะแหละภาวนาบ้านภาวนาเมืองอย่างนี้แหละภาวนาหมูมาเพื่อนอย่างนี้แหละันมายดีไปฉันลายมาฉัายลุหมูลุื่นอ่ามีเล็กมีนอกมีหญิงผู้ชามีผู้น้อยผู้ใหญ่มีเหมือนกันฉันหมายดีวันแล้วอันนี้วันภาวนาแล้วภาวนารุ่ ภาวนาบ า, นาวันน้าอ่าที่นี่จากบ้านเมื่อไรางยนี่ไปคู่เดียวเหตุคู่เดียวทำคู่เดียวน่ะ ไ, ไปวันนี้ะนะไงวะธรรมบพ้าขอยาพาวันนาอ่าอ่าปลารถฟี่ปลานั่นปลานีน่สกกไปไอ้คนยิง่งไงวะไอ้อยากให้มีสองนะ้มีคนเดียวคนเดียวมันยังเป็นมันยัถือ มีช่องใหสามมีรานมีเมืองมีหลายหลายนี่ว่าถือภาวนาว้านอ ย, นอยู่อยู่กรุงเทพแหงดีละ่ะมันหลายไปนี่โอ้มั น, นคนงง่ายหลายทำเลยมื่นยากในโลกนี้ภาวนาบ่ได้ดอความดีก็สู ภาวนาบะไรในโลกนี้ท ม, มันดีก็มันได้มั่นทำมาได้ล่ามตรงหนึ่งก็มาได้ใมครับคุณขามลามตรงหนึ่งก็มาได้ กว่านกรุงเทพก็ได้ยินดีเนจบนเดียวอดชอเนีาเเออนัะาฮ่าฮ่าฮดเดียวอ่าาอือ ไม่ที่อยู่คนเดียวคนเดียวคนตายก็ตายคนเดียวคนสุดคนเดียวทุกคนทุกคนเดียวทุกคนทเดียวฉันบายฉันบายคนเดียวยะปัญญาคนเดียวฉันบายฉันบายยังงูอยากน้ำกูอกกเตี๋ยวเฮียฉันนคนไม่นดบอกี่ายหมดบไม่นูนะแล้วยียอยู่ มันเคยท่วมแล้วแต่นั่งทั้งวันแล้ว่าทำดันที่ดันี่สองปัหาอะไรนั่งแหงแหงงแหงงแหง้งแหง้งใหง้งอะไงบ้าเรื่กรยับวงกับวงรยับวงกยับวงกยับวงไาอ่ามีว่าขึ้นบ้านเก่าไมขึ้นบ้านเก่าเปนไงยังคนเาะขึ้นบ้านเก่านี่เป็นกองพอเียนี่ั้งใส่ตัสุดตัวสุดมเนียวเป็องพอโบัโรคบัวอะ คนตายอืมชุนยอดเลยชนไปกว่านี้ก็ตายชุนยอดเลยต้องรบอมใช่้่าวน่นยอดุยอดุดยอดลอ่าราาใจนี่กออกไม่เข้าตายนะออกแล้วเข้าตายนะุยอดล มันคงคอยนี่แหะโรคอะโรคไอจังโรคกังวลโรควุ่ยโรคเจาะอกเจาะใจเน่าด่าอ่าเนามาใจมกนอมาใจเ่าไปมาใจูงไปใจมลมาใจลไปนินเป็นลมมันไปลอันนี้ โมยักโมเล็กหลายอะไรเงี t ยเรื่องยาสูงๆลับไปทั้งได้ทั้ลายอือเพื่อนเขาคือไรว่าเชื่อใไรเงี้ยกูเชือโซล่เราสวายสวายสวาอยู่นั้นสายปรงนี้สวายางเอาพลัอามาเ่อใเงี้ยอือแต่แข็งพอแงพองพอแลวล่ะ ทานขอไว้ท่านขอไว้ท่านขอ ไ, ไว้ยังออกยังขออยูอ่สามวันออกเราขอตายนะสนใจหันใจไหม่นะนั่นแหละมั <laughs> ว่าพลังที่หันใจนเราถามไว้อหันใจมาสนใจทางนู้นนี่ันจปไม่หันใจจะเนี วันน้าเห็นยังแน่เห็นว่าลูกคล้ยๆข้าววัหน้าเห็นติดเห็นสายเห็นถูกเห็นยากเห็นนักเห็นงงเห็นงงเหเหงาเห็นงวดเห็นง่วงเห็นงวดเห็ใจในใจของอ้อฮะเฮ้ยจะชวะชำวะชำเหราฮ่า่าเห็นแลแกไม่ค่อยได้ทยังไงนะครับเห็นแลแกไม่ค่อยได้ เอาวะกาจานเขาเบ้อเอาลูกเดี๋ยวนบ่นเดยวนี้แหะเบ่งกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยวนี้บ่งยังบ่งยังท้องนเดีนี้จาก็ดเอาบ่งอาลูกมาเาบออ้ผมเี๋วเย็นูมี่นี้เยานดอกน้องจินน้องจเวนน้องจีเวนกับเบงาร เราเป็นอหไรนะจูงนักพัฒมาการเปนยังไงง่ายหูนโลี้แตหูนโมีตัวนีานะอ่าลองได้ที่ใช้มาจะฉลาหลังแล้วอ่าจะฉลาดหลังฉลาดหลังฉลาดหลังทางวัยคนหนาตื่นเงนงฟคุ้มขึน้เถ่านั่งอ่โอ้สร็จลงมากือก็อบหนึ่แทนเาให้ คนนั่นต้องการอันนั่นคนนั่นต้องการอัานัคนนันต้องการอันนั่เราหหาเอาหอหเอาหกันของเราเาโอ้ดีดีดดีอีดีีีี เป็นหมอเนี other, hon, ่ยเป็นหอเนี่ยนะเน่ยนี่ก็ยีฮะเป็นผู้รักษาคนเป็นคอยคนรักษาคนเป็นอ่าเนยคนมันัเาากไยคนน่ะสิหน่นั่นไปนี่นเาอาไ้รนีา้นี่อยู่อะไปใช้หาคนอไปหาคนมาอยู่นเลกคนเิม คนห่อเนี่ยนั่นเอ้ยวนหลายห่อแตมก็เกิดไม่้พุทธเจ้าจะหนาวนสองเป็นข้าเป็นมาจะได้คนวดคนคนคนยอดคนคนล้คนยอดแล้วงวดดีไหมคนเาจะได้ยังไงกับข้าเราอ้ลก้างรอขาอข้างรอหรเขาอยากเาวนาของพี่ เขาจะได้ยังหาเงินเอานั่งก็นั่งเอานอนก็นอนเอาไปวันไหนได้เอ้าไปวันไหนได้เี่ยก็ไปทุกวันโลกเพราะงั้นเขจะใช้เงินนี้เออเขาจะหาเงินจีนมาใช้เออไม่รู้อะไรแต่ถ้าเงินนี้เเม เขาใช้ดูเนี่ยนะเอาใายเรื่องอะไรเ อ, อาใายหัน่นใจให้กูอะได้อา่าฮ่าฮ่่ โอ <ITA> <in> <in> awesome. ้เห <worldwide> well. ็นเขาเอาเา็ได้ยังก็ดีเาจะได้ยังได้ขาเอายัวาจได้้เาเอายัได้ัหาได้วจะได้เลยเาได้ม่ก่อนเขาอเม่กาดีเ้ตาทาาเอาทไรเเอาทเอาได้อทง้อคะ่านีอ คน็ทั but, isation, logical, ้งดูว่าทังคนก็ทั้งว่าทคอันนี้จะแก่ถูแก่ยากแ่ลหลัาเาแก่น้าแก่ม้วนแกมกงาแก่หุ่นแก่ม้วนแก่หุ่แก่ไหเกตาอ่าวนีหแก่มังดีก็แ่อะไรไป นั่งอยู่คำว่า mm คือว้ามั่มือกยแรงเก่านี่ละอ่ามั่เมือก็ไม่จดีก็พูดตอนนั้นเพื่อก็ตายตอนนั้นชกก็ชกมาตอนนั้นอ่าก็คนชกก็ชกกูอานกกอานกอนะกกกอานกอานกูอานกูอานนี่หมดเล โอ้คนทุกข์ทุกข์ไม่สุขไม่สุขไม่สสุม่ม่สุขไม่สุม่สุขไม่สมุม่สุขไมขไม่สม่สุไม่ไ่สุขไม่สุข่สุขไม่สม like ่สม่่ไม่สุ่สขุ่ขไม่สุ่สุ่สม เอาจากเหตุจากผลนั้นเหตุดีกับผนดีเหตุไม่มีกับผลไม่ดีล่ะผมว่านอกจากนั้นไ่ได้ล่ะว่าโชคอันกระเจงเหล่าโลกนี่ก็อยู่วันใอ่านุกโชก็ดีนอกโชคกระเจงเหล่าโลกอันนี้ก็อยู่ใส่ยนี่อื ของวันน oh, like, ี้มันก็ขาดารดอความสุขความยากความสุขความสุขมันอยู่เป็นสุกันอยู่นั่นเตี้ยนใส่เงาเสียงไ้งาเไส้เ่ายไ้งาอยู่น่ก็คือคือเกก็ให้ดงนิน่อยเ่ยคัดเสียงดงงนหน่อยคังัี่าดังนดหน่อยฉันรายนอยไปหันาอยสัญญา่ก็เคื่อหงา่นไว่าันานีห่าน ไว้ี่ไหนหาความเปิดภาคโลกมันคือหวภาคโลกวามดีภาพเกิดภาคตายภาพความวาวภาพนงางผักนอนภาพอ่อออามติดความผงความแดงก็ปล่อย อ่ะเฮ้ยดันนี่เป็นไงต้องมีภูมิเพื่อนอยู่เฮยดัี่ต้มีภูมิือนอยู่ตาวต้อมีภูมิเพื่อนอยู่ก้มีภูมิเพือนอยู่ทุกตงีมอนอยู่ไปน่นีนางก็มีภูมนอยู่นางนี่คนกันงคนนีนางคนจะนงเมื่นี่วี่น้องก็งันนอน้อก็ วัน ล, cing, ล of, root, ูกเนี่ยก็ลูไปก็ก้อนนี้ไปนี่มันงกใครวันวใจวะหัวใจานยนะฮะ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาห่่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่า่่ เป็นยังไงยังเสมอไม่ง่งสัพอสงสัยก็จกินข้าวอิ่้อ อ, อไม่องไม่งมันองวนนี่นะอดดนเอาเ็นท์ข้าวไว้พอแล้วพอแล้วอกว่านี้ันได้ไม่ลงนะพอแล้วันนี่ <laughs> ไปไปหาเนื้อสพานสิเนื้นอสะพานนี่เอาเอาเนีวออใจเนีวใจเเปเน็นเหนียวเหนียวคอาอห่ายนาเฮ็ดถึงของเรอ่าบรรยาดอก เออฮึ i ึฮึฮึโอ้คือไม่สาเลยไม่สายว่าผ่านดีบันทึกคนละแนวคนนั้นดีนั่นคนนั้ดีนั่นไม่ได้ผูกเรงออย่งดีคนละแนวดีคนนใส่น้องตังนี่คนใส่นั่งโต๊ใส่ พอคนหาเงี้ยไรไม่โยงเนี้ยใช่ฮะฮู้ห e ยเงี้ยไรอ่ะไม่โยงเนี้ยใช่ือมันได้อันนึงคือสองได้สองอายุไม่โยันเจ็ดสิบหกยี่สิบสามได้โยงโยุมดุมน ไม่ได้อยู่แล้วครับหลวงพ่อเจื้อจะมาลรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหลายครับตรงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับครับมาผ่าตัดตาแล้วตาก็คือคือแก่แล้วนะครับตาก็ค่อนข้างจะเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหาออกมายืนไมาได้เลยอะไรครับยืนตาไม่ได้หมได้ครับแต่ว่าตาก็เสื่อมไปตามอายุนะครับอือโอ้เขเสื่อมไ้นั่นหรออือ มันก n เชื่อมต้องหมดเลยของเขาอือน่แต่ยสีเ่มีเ่มีเ่มีเ่มเนต้นเนตเนูเนตาเนเนขาเนเลือดนมนนอนของเของเของเองหมด่ได้ดอกาอได้่มันดดกเไปในนั้นอือายแ่นนี้ตัวด่ที้เพราขานเล็กนมไตา เร า, าเข้าใแล้วละกันให้คนรอไหมอ่ารอในนี่ว่าได้แก้ไขในนี่ว่าได้พอดีเรแก้รังคารเาอ่ะหนูก็หนูก็เช็คแหละหนูก็เอ๊ะนั่นะ่ตอันีแหละก้ ม, ะามาตันเาาาลยรอมาตันมาดีรคัอดเอา้เอาอดเอาเออคนรอหมเออดีละบนะ อ๋อมาลรงพยาบาลอ่ะไขมันสูงครับเพื่อว่าชอบแั็พวกอกกระดเยอะนะครับอืมฮึ่มเพื่อรขันหนังกับเบนว่าจะจะอ่าขันหนังกับเบนอ่ะมันชอบรถกัารอ อาปกครองปกครองอย่างนีのののの้อย่างนี้เนี่ยฆ่าดอกคนโลกอย่างนั่นถึงโลกอย่างนี้เขาลูกจักแล้วหล่อหลาลกแขนลกขาหลอกจีนหลกงินหลกของหลกคันหลอกคนลอยอะไรนี่หมดลไม่ว่าด่า่เปเขาคอยเหอกเขยามใหญ่เอาสีใดที่เอาสีดำที่อะไรเขากระจักรนะฮึกระจักรอะไรก ไม่ต้าในขอในเฉยในพงในนนมันมียาันั่นยาฉันนั่นทิ้งนั่นทิ้งนันใช่เนี่ยนั่นยาทิ้งนนใช่เน่นันเนี่นันเน่นั่นมีหมดเลยเอาใช้ไหวตอนนี้ก็ใช่ดีก็ ick, ว้ยวันแรกเนาะวัน้อคู่ดีก็ดีคู่คู่คูู่ดีตดีธาคือกรลนไปทางนี้ไดาอือธาตุเยนมีธาน้าลามีเดามี หลายถ้าชมนี่ถ้ามนีถ้าฝาดนี่รู้สึกตัวน <único Liberty Overwatch> ี้ไปยังไงบางมันหลายชาติแม้แตาตเดียวชาตเดียวชาตเดียวหูแม่เดียยงเ้ยแต่หูจ้าาวเจ้าสูมีามีแ่มีามีสงมััง่ คือการอยู่ทางนอกงันค <Stat> ิดทางในกูอืมอ่ามันเท่นี่แต่คิดคิดคิดทางในคิดทางในคิดทางในทางโน้นเหล่านั้อเนาะเนาไปเวอร์มองเห็นเยอะๆการๆการอ่าตาการเดียกันหัการเดียวกันหันกเดียวกันอ่า ฮ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าพรุ่ง้นกูไจับหอกนองจะให้กูจัออ่นนะมชดอกว่ากว่าางเาอันนั้นละวนก็ดีจัแล้วไหม ภวนาว่าแล้วนันี่นี่ันนีไม่มีการ้แจ้งรรยากานผมเทแจ้งก็คือนี่กันนี้แหลคือนี้แจ้งก็การหนัมือกสุกันน่ะมาเห็นประชิดนะอ่าสายทไมหันใจอ่ะคนกงเทพสายทไมหันใจใอ้หนี้ตายทไมหันใจอยู่กันหััยดอกซเลย หลายอายุวันนู้นสุขังวารังเนี่วนนี่งจู๊มุ่งุ่ง่าฮ่าฮ่่า้มาหลายผู้จู๊ว้าันเตะโอ้ว้าหลายผู้จู๊บารรถตัวอะโอ้ว้าหลาย แนะนำลูกหลานปฏิบัติภาวนานั่งภาวนาบม่ได้อกมูอหลายแล้วนี่ต้องอยู่คนเดียวมันภาวนาเป็นหลายคนบาได้ เวลาชาววันนาจะไปอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดีวก็จ้างชกเขารังเขาของเขาั้งป่าตั้งงตั่นตามนี้เขาอยู่กินูนี่ก็ได้แล้ก็เป็นเพราเพราว่าไ้มงกุลเดยอือห้ามไอาเดียววามึงโธ่สมัชชิเงียบไปเลยจริงๆาวนาเขาเ็นแนี้จ้างมู่อย่างชาวนาที่ไหของควนที่เอามูนนั่นนี่ก็ได้ ชาวนหน้ามีที่จากงูจากบ้านจากเมืองจากลกจากร้านจากหาลูกจากเี่จากนังจากนี่จากเมื่อ้วหน้าเกดอไาวันหน้าก็ดเขาเนี่ออกมาเนี่เขาอยู่เดีวอางเงี้ยไม่โดม่เน่ดอกมันยังเป็นแม้กรท่งเไม่ไม่ยังบวเป็นมันมีจากคนดที่เลนี่มันอยู่กับคนน้าอยู่กับคนกับั่งแนั้นแหละ อันนไมมันอยู่ดอกความทุกข์ความยากความลำบากลำพังในโลกอันนี้มีแต่คนเนี่ยอกคนนะคนกวกันนั่นแหละาไมีคนีรเรบายหนังสบานอนาไปสบายเพราะสบาจบามก็จะมีอยบ้านอยากหลงแลเพน้นว่ก็ไ ก็แต่จะช่วยมันถาไม่ดีก็ต้องถ้าว่านานต้ลงดูนี้เ่าไม่ั้วเนี่ยวันนี้วันนี้จะตังวันนีจะวานวันี้จะดีวันนีจะงูจะเปื่อยจะปลาจะแม่ แข่งของท่านงอย่างพอแม่สุดที hmm, ่ท <that> ่านงวดท่านท่านตื่นดังเลยมันยัได้ครั้ังเอาอยู่เอาอยู่วะทากเาเมียเอาเงเอาเงินวันอเท่มอะมีชำระก็อนชำรางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง มันนี่ภาวนาบ้านภาวนาเมืองอนนมันพอดีเยอะแหละถ้าภาวนาบ้านมาเมืองอย่างนี้แหละภาวนาหมูมาเพื่อนนย่างนี้แหละสบายดีไปสบายมาสบายแลงหมูแลงเพื่อนอ่ามีเล็กมีน้อยก็มีผู้หญิงผู้ชายมีผู้น้อยผู้ใหญ่มีมือนกันอ่าหมายดี ว, าาวันแล้วอันนี้วันภาวนาแลว้วอันภาวนาลูกภาวนาบ้าน ถ้าวันหน่าที่ีจากบ้านเายอย่อด้เยวนีไปตูวเดียวเด็กตัวเดียวทำตเดียวเน่ยไปเรนี่นะไหนว่าสมุาข อ, อยาทาวันหน้ า, ะะะะะา น, านะนนนไปรบวามเนี่ปนปนี่สอไปไหนส่วนนไหนว่าไหนอยากให้มีสองะไอ้มีคนเดียวคนเดียวมันยังเปนมัน มีของไอสามมีร้านเมืองมีหลายหลายนี่ว่ตถุเาว่าน่าอยู่ในอยู่กรุงเทพนี่ดีล่ะมันหลายไปนี่มันมันคงง่ายละทำเลยเนื้อหนักในโลกนี้เขาว่าน่าวได้ดอความดีก เพาน่าอะไรในี่ยลูกันดีม็มันได้มันท่าบ่ได้ล้านตรงนึงก็บ่ได้ถูกไหมพ่มอคอยสามล้านตรงนึงก็บ่ได้ถูกไหมพ่มอ บาง่านกรงเทพวันนี้เนี่ยเขาเจียนเดียวอือุอเจียเออนัะาอยู่คเดียวอ่าะอือ่อยู่เดียวเดียวกรายกายคเดียวัเดียวเดียวุกุกเดียวนบานบาย่ายบา ยังงูเหาหนึ่งคุณน่าพอใจอะไรสักมันั่ไม้เสมอบอกจ่ายเงิบอไม่คนเดียวอา่งี้ยยนทำเจมอยลาฮ่าฮ่า่นควแล้ว นั่นทั้งวันละวันจะที่จะที่สองคันหาบ้านนั่นมันเงี้งเี้ย่งเี่วงนี่วงเี่งงี้ยรงบ้านมันก็ยับวงยับ่วงยับวงยาบ่วงยัรวงไปอ่มันจะมาบ้านสอบมันจะึ้บ้านสอบมันใดใดคนหนุ่มจะขึ้นบ้านเต่านี่ยเป็นของอยแล้วนมันไปโดยเฉาะชุอาชุันถามเงินเดีย่อยโรคปวโรคอะไรปวดนัอ ค <c oughs> นนอนเลยคนปล่อยค้อนเนี่ไว้ตายคนนอนเลยส อ, องลกไมก่ใช่แล้วก็พามา น, านักคนนดนคนอนอนคนนอนคนอนแล้วอาเราเหาใจเลยเราออกไม่เข้าใจนะออกแล้วไม่เข้าใจนะคนนอนเลยมันคงคอยนี่แหะโลก โรคไอจังโรคกังวโลโรควงวายโรคเตี้อกเตียใจอยู่ใน ล, ล, ลมหาใจไ ม, ไม่เลือกคุณพ่อไะอยู่ลมมา ใ, ใจคุณเท่าไปอยูลมมา ใ, ใจผุณถุงไปอยู่ลมหายใจทำระดมมา ใ, ใจาอใใจแะแรไปเป็นยินงเป็นน้ำ เ, เป็นลมมันไาไปแล้วอันนี้หมจับหมดเรื่องไปอย่างนี้ยังอาชีพอู้นะไปทางไหนม็ย นองพื่อนทำเพื่อไรว่าเชี่ยวไข่หอยขาปุยเครโซดาเวลาล่าสลายสลายไปสลายยุไปตั้งนก็ไปสลายไปตรงนี้สลายงวงอาพล่งมามาเชี่ยวไหอยขาปุยเชี่ยวขึ้นขันเขาขันขาขันขาละวันขันเขาไป้ันไว้ขันเขอไวายังออกยังหายแ่ถาเรออกเราก็เขาตายนะคนตายขันใจไหมไ่ใ่แนั่นและ <laughs> ไม่ว่าพลังจิตเงื่อนในเราถามไอนะไะหันใจมากุตาจกันนู่นแน่หันไปหันใจกันนี่โพ อ, อ, อ, อ, อ, อวันหน้าเห็นอย่างแน่นฉันว่าลุงค่อยๆยข้าวันหน้า เห็นเกิดเห็นสายเห็นถูกเห็นยากเห็นนักเห็นหน่งเห็นงงเห็นเงา็เ็นงงเห็นงมเ็นไวในทในใจของเอวอฮะ่จะสบายสรอ้เห็นแล้วแก้ไม่ค่อยได้ทำยังไงครับเห็นจะแก้ไม่ค่อยได้เหรอ เอาวะ่หาใจเขเบเอาลดนีหละเบืองบนวนี้แหะเบื้งบนเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้ยนี้งบนเบงท้งบนเดีร์เ่าเงินเอากมาเอาินเอากโอ้เยมละมมียนดอกมันกมันเกเป็นเป็นเป็นว่ารอ เอาเป็นอกนฮะอย่างนักนากรเป็นยังไงนะจู่หัวหน้าุนวหน้าวุ้นตัมันแบบเอเาได้ทีใช้มาจะฉาดลังแล้วมาจะฉาดลังฉาดลังฉาดลังทำไว้คนหาจีนเองของก่อคอ้นขุดถ่านมาโอ้เอาลงมาเปิดัมีแทนเอาให้ คนนั่นต้องการอำนาจคนนั่งต้องการอำนาจคนนั่งต้องการอำนาจเพรกะเราหาเอาห้เอาหาเอาหยเอหยคือกันาฟงเราโอ้ดีดดดะนี่จ้าเรอเปลรอเนี่ยลงมเยับาอยความโชความโชคยัหันโชคกับคนไหนความโชคนานก็่ี เป็นหมอนีอน่เป็นหมอนี่นนี่ๆกะดีฮะเป็นผู้รักษาคนเป็นคอยคนรักษาคนเป็นอ่าเป็นผู้ช่วยคนมันมันเ้าตกแผู้ช่วยคนน่ะคือไปไนไปนี่ไวนั่นไปนี่า้่เวานมันาคนนี้วันีอย e ู่ะหาคนอะไปหาคนเนี่ยเมาหาอยู่ไม่เหนเกเรามันคอนจะเ คนห่อเนี่ยนั่นนี่วุหลายห่อแต่มเกิดน่ครนตชาแหลาวุนวา่นสองแาแน่เาจะได้คนโขคนค น, นคนอดค น, นคนแบบนยอดนแล้วงวดดียังไงคนเาได้เทาเนี่แต่กจท่าอท่ารอเท่าอเขา้าวนหน้าอ เขาจะได้ยหาเงนาก็หาเอานัก็นังเอานนก็นอนเอาก็นนได้อืมินเนรืเไก็ินหได้นี่ตัวใครตัววันโลดเพราะเจะใช้เงินีงนีวอดได้ไนนีเออเขาจะหาินเนั่นอืมเนลแกก็หานิ เอาไปดูเนี่ยนี่เอาใายเรื่องอะไรเอาชาใจให้รู้ได้เออ่า่เออนี่ โอ้สิเขาเอาเขาจะได้นั่นก็ดีเขาจะได้เนี่ยเนีานเอาเนี่ยเนี่ยเขะได้นี่ยวาเอาเขาได้เขาได้เดี๋ยวาจได้เลยเยเขาจะได้เมียขหาเอาเมียรถสบาดีเออเฮ้แต่เขาทำเอาเขาเอาเขาเลวเาทำเอาเขได้อ่ารได้ทำอไรออบก็คืออามาทำอะนี่อ่ะ คนตัดทังโดา้งทงโว่างอันนี้แแก่ยแกลำหลลพานเอาแกนแก้อแกงแกงาแกบจ้อแกแกอนีแกเลม้นก็แกอไป น่นั่นเนาะเขาบอว่ามันเมื่อกแมงเกาเนี่ยล่ะว้าวมันเมื่อกีไม่จะด en. ีกบชัวรตอนั้นเัวก็ตายทอนนั้นชุกก็ทุกมาทนนั้นคนชุกก็ชุกกอ่านชุกกอ่านชุกอ่านาคนชุกก็ชุกกูอันกูอนกูอ่านกูอานนี่หมดแลยกอคนชุกก็ชุกมากอ่านกอานกูอ่านกอนกอน่ามันก ทุกมะกวัาาวนกวางกงกงนัหมวเข้าใจไหมฮ่าไมนั่ลวงพ่ใหญ่เออบว่ามกีอนเดียวละอันต่อละลงพ่อชาวาอ่าเขาจะเหจะมันเดีกับผนดีเหตไม่ดีกับผไม่ดีละผมว่านอกจาไได้ลนะ โชคอันกระเจงแนวโลกนี่ก็อยู่วันใดอ่าวาโชคก็ดีว่าโก็เจงวันแนวโลกอันนี้ก็อยู่ใส่อันีออันนี้มันว่าขาดใจหรอความโชคความยากความโชคความยากมันมนันกูกันอยู่นั่น เปลีนไปป่มาเปล่นปมาป่นไปเปลี่มาป่นปมาอยู่่งก็คือคือเขางนีแหละน่รคั่ทางนมาี้หน่อยคัดทางนั้นเป่นาทางนี้หน่อยช่าน่อไปหันมาอ่หน่อยส่งนเครื่องไว้เปมาเป่ไเปลยมาอย่างนั้นหาวันนี้ลไววนี้นี่าอโลก มันคือภาพโลกความดีภาพเกิดภาพตดภาพความว่าภาพนั่งผับนอนภาพอ่างติดความผงความแต่ง <c oughs> <c oughs> ก็คอยงา อายุหนนี้เป็นว่ไม่ผไม่เคื่อนอยู่อายนนี้ต้มีผูไม่เคื่อนอยู่ตายแบบไมีผูไม่เคื่อนอยู่ลกตไมผูไม่เคลื่อนอยู่ลูกตไม่ผูม่เื่อนอยู่ไปอันนี้นง่มเคื่อนอยู่นางนี่็นคนกันางคนนี้กัน่นางดนี่าที่นั่งก็กนนั่งนงกุคนวลกเนี่ยก็ลกไปกับนนี่ไปนี้มันนูไปวัน 我家过，那我家差不多没 有, jump, me, 有，嗯，嗯 <laughs> ，哈哈哈哈哈，哈哈。Trial, 我家，啊，存钱存钱，够安生了，就买咯。反正我家卡反正总加油，反正呢，钱养钱养，总比那穷钱。 พอชงใช้ก็จะกินข้าวอิ่อิมแล้วเขาวาง่องไมรองวรองวันนี้นะอ้าพื้นด้าวเข้าไ ป, ไปพอแล้วพอแล้วเอาฝานี้มได้ไม่ลงนะพอแ ล, ล้ววันไปนี <c oughs> ปญหางนี่ยสะพานอ งาเขาพนนามีเอา เ, เอาเหนียนวใจเหนียวให้เป็นเหนียวเนวมามีบามีเววอเอาไปไ น, น, นาเฮ็ดดึงเอาลงอืาบรรยากากแตง่ง <c oughs> โอ้ไม ¿no? uh. er ่ต้องไม่เลิกงานไม่เลิกงานใช่หรือเป g ่าเดี๋ยมันดีคน่ะแนวยนอนนอนดีนอนนอนดีนไม่จะพูดเรื่องวอย่งดีคนละแนวดี๋คนละแนใช่น้องตังเนี่ยคนใช่นั่งโต๊ใช่ไปอ่าแต่พอคนไหนเรียงไว้ไม่เนี่ยใช่อ่ เราเราก็แยกไะมูเนค่มันได้อันนึ่งหออันองอายยันเโตก็ฟังสัมได้โย่โย่คุมไดุมจ่อ๋อ่ได้อยู่แล้วครับหลวงพ่อจจะมาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลครั้งนี้สภาพไม่ค่อยดีครับมองาตตาแล้วตาก็ คือคอแก่แล้วนะครับตาก็ก็คาจะจะเสี ย, ยไปเยอะเหมือนกันนะครับออเขาก็มีปัญหาอ อ, ม, าอมื่อไม่ได้หรืออะไรครับเงินตามัได้ไหมได้นนครับแต่ว่าตาก็เสื่อมไปตามอายุนะครับอืมโอ้ก็เสื่อมไปนั่นละ่ะอืมแล้ก็เสือเเ่อตรงนั้นแหละสองเทาอืม แม่ตเี้ยสียชื่อมสีเชื่อมเสชื่อมเสียอมแม่โสนแม่โสนแม่หูแม่ตาแม่แขนแม่ขาแม่เลือดแม่รม่หลุดแม่เอ็นของเชื่อมของเื่อมของเชื่อมนั่งหมดเดี๋ยวแก่ได้ดอกแก่โบไว่ามันหนด้ไปนั่นๆอ่าเาโย้เขาโย้ไแก่นี้ัดีแต่ที่เาตัวข้าวนักเล็กกนิดห่อยลายนบ่ไม่ตัแล้เขาตายเออแล้ว ให้คนรอไหมอ่รอเนีนี่ว่ได้แค่ไขนี่นี่ว่าได้รอดีละแก้อังคาเราอ่ะนะหน่อยไปน่อไปเช็คลน่อไปนั่นนั่นละนงอันนี้เลยแก้มาตะวอเลยรอมาตะวอสมัยดี้อรอไหมคนนักวศเอาช่อชาเอาวศเอาอคนรอไมเ อ, อดีละบางนอะอ๋ะอ มาโองพยบาล น, น่ะไขมันสูงครับช อ, อบฉันพวอกอะชอบตลดเยอะนะครับอืมฮเ <c oughs> ่ม่มรอ่อัฮ น, น่มฮึ่มฮน่มฮน่ะอึ่มฮึ่ม่มฮึมฮึ่มฮึ่มฮึ่มมฮึ่่ อาโรคโรกนั่นของนี่อย่นี้าดอกเป็นโรกอย่างนั่นเป็นโรกอย่างนี้เขาลูกจับแล้วโอ้โหโคตาโลกแขนโคขาโรคตีนโรคมือโรคอคันโกคอะไรอะไรมีหมดเลแม่วันด่างไม่เ็ขาคอยเขาหงอกนี่เขายอมไหญเอาสีใดเสีอาสีดำทีอะไรเขาก็รู้จเนาะอืสูญญากับอะไรรอ ในตับในฟอดในไข่ในทงในนั่นมันมยางนันในยาชนันชนีดเนี่ยชนันไข่ชนันยาชนันไข่ันนี้ยนั่นเนี้ยนั่นมีหมดเลยเอาไข่ไปวนนี้ก็ใช่วันี้ก็เว้อวันแรกเนาะวันนี้คือตู่ดีก็ดีคู่คู่คููู่ดีก็ดี้าตุก็คือการหวานไปทางนี้ได้หวานอือธาตาดินมีธาดน้ำตาลมีธาตไฟมีธัดเดอกาตักมี หลายถ้าชมนี่ถ้าชมีถ้าฝากนี่ก็คือตัวนี้ไปยงนี้บมันหลายชาแมเจ้าชาเดียชาเดียาเดียฮู้แม่เดียวยังแม่จ้าฮูจ้าเจ้าสามีฮู้มีสาม่แก่ไมีสามีสิ่เมื่อคือสัคือสัสันเณ คือกันอยู่ทางนอกมันคิดทางในคุณอืมอ re ืมมันทิดนี่แตคิดิดทางในิดทางในคิดทางในางวนเล่าน้นเนาะเน่าเนไปเวรมึงเนาะองเห็นเอีคือกันคือการคือกันอ่าตากายกันรหัวกันเดียวกันหันกันเดียวกันอ่า ฮะาอ่านี้ละ่า่าากนวัวจักดอกนอกจากมันจักอ่น่ละผมม้ชุดดอกว่ากันไมว่าขัตนันและวันน่ก็ดีอาอจักแล้วไหม ภาวนาก็ว่าไงแล้วนั่น น, นี่นั่นี่นั่ น, น, นไม่มีการเข้มใส่ น, นนะมือแจ้นบรียากัศนักผมเทศแชงก็คือนี่กันนี้แหละคือทางนี้แจ้งก็ทางหนกักนะมือก็คือกันนะ่ะไม่เห็นประชิดนะอ่าตายาทำไมหันใจนะ่ะคนกรุงเทพสายทําทไมหันใจให้มีตายทำไมหันใจอยู่กันหัวเมใจ่เราทาเลย หลอายุนทุกังวารังเนี่ยบาีนุไปอืมอือโอ้มาลพวกเยอะมากันเต bon ็มาโอมากลายพวตัวรถตัว <scores> ว <movie> ่ะโอ้มากลายพวตัว